อันจริงๆแล้วชีวิตเราถูกบังคับตลอดเลยนะจนกระทั่งโตขึ้นมาทำมาหากินได้ก็ชีวิตก็ไม่ได้เป็นอิสระอะไรอย่างแท้จริงใ น, ในทางร่างกายเร า, ามันมีข้อจำกัดนะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอะไรเงี้ยจะมีเสรีภาพร้อยเปอร์ซไม่ได้แต่ในทางจิตใจมนุษย์มีอิสระภาพเต็มที่เลยนะในทางจิตใจโดยเฉพาะสาหรับชาวพุ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 พวกที่ถี่มาน้ามากพวกเม่อเม่อลอยลอยใจลอยไปนี่พวกเดรฉานถึงตัวเป็นคนแต่ใจเป็นเดรฉานนะพวกใจลอยอ่ะนะพวกขี้โมโหตัวเป็นคนใจเป็นสรรนรกนะพวกขี้โลภตัวเป็นคนใจเป็นเปรต น, นี่ทางนี้พ ว, พวกทางอบายภูมิเนี่ยเกิดจา ก, กจิตใจมันขาดสติก่อนพอมันขาดสติมันลืมเนื้อลืมตัวแล้วกิเลสต่างๆแทรกเข้ามา ราคาแทรกเข้ามาย้อมอยู่ตลอดเวลาเลยนะก็ไปเป็นเปลือเป็นอสุรกายไปะตัวศาแสแทรกมาย้อมอยู่เนืองๆ น, นะโอกาสที่จะตกนรกก็สูงตกตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหละตายแล้วก็ตกอีกใจลอยใจเหม่อใจลอยนะโอกาสที่จะไปสร้างภพภูมิของเดรัฉานก็สูงงั้นเห็นไหมเรามีอิสรภาพนะ <laughs> <laughs> เราจะสะสมกิเลสอย่างไหนเราก็ไปเป็นอย่างนั้นะจิตใจเรา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 ละอายบาปรู้จักกลัวผลของการทำบาปนี่อันนี้เป็นภูมิธรรมของเทวดาถ้าหากจิตใจของเรามีพรหมวิหารอยู่จิตใจมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะใจเราเป็นพรหมเราตัวเป็นเตือนมนุษย์ใจเป็นพรหมตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาตัวเป็นมนุษยใ์นนษยใจเป็นมนุษย์ก็ได้งั้นใจเรานี่ท่องเที่ยวไปในภูมิต่างๆได้มากมายนะตามสิ่งที่เราสะสมเนืองๆ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 ถ้าหากจิตใจเราต้องการจะไปสู่สุขติภูมิอยากเป็นมนุษย์อยากเป็นเทวดาอยากเป็นพรหมนะัเราแค่มีสติธรรมดานี่แหลนะสนใจทําบุญใส่บาตสนใจทําคุณงามความดีทั้งหลายนะใจไม่หลงลืมคุณงามความดีที่ตัวเองทําไปเรื่อยๆนะแล้วก็ได้สู่สุขติภูมิไปเกิดที่ดนะีแต่ถ้าเรามีสัมมาสติสัมมาสติ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 รู้ลมหายใจเนี่ยเกือบร้อยล้อยเลยนี่พูดแบบเกรงใจนะเกือบร้อยละร้อยเนี่ยใจจะไหลลงไปเกาะนิ่งๆิ่งอยู่กับลมอันนั้นคือการเข้าไปตั้งแช่อยู่กับลมไม่ใช่สามาสมาธิแต่เป็นมิจฉาสมาธิได้แค่ ค, าความสุขได้แค่ ค, าความสงบใจไม่ซัดเซพเนจจอไปเที่ยวสงบเฉยเฉยแล้วก็โง่โ ง, ง่อยู่อย่างนั้นเองหรือคนไหนรู้ท้องฟองยุบนะแล้วใจไหลไปอยู่ที่ท้อง เดินจงกลมยกเท้ายั่งเท้าใจไหลไปอยู่ที่เท้าแช่นิ่งๆอยู่อย่งนั้นปัญญามันจะไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นขาดสัมมาส ม, มาธิงี่นสรุปง่ายๆนะใกล้จบแล้วนะใกล้จบนี่นะพูดสั้นๆนี่แหละทํากันหลายปีอันะแรกเลยมีสตินะสติทําหน้าที่รู้สภาวะคือรู้กายรู้ใจกายเป็นยังไงนะรู้ลงไปไม่ลืมกายไม่ลืมใจตัวเอง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 กุศลอะกุศลชั่วคราวแต่รู้นี่ไม่ใช่คิดเอาต้องมีสติไปเห็นสภาวะจริงๆนะเห็นสภาวะจริงๆด้วยใจที่มีสัมมาสมาธิใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นนะถ้าขาดสติก็ใช้ไม่ได้นะขาดสติใช้ไม่ได้เลยเป็นอกุศลนะถ้ามีสติแต่ไม่มีสัมมาสมาธิสติตัวนั้นจะไม่ใช่สัมมาสติจะเป็นสติธรรมดานะสติที่คิดถึงอารมณ์ที่ดีด แต่ถ้าใจเราตั้งมั่นปุ๊บสตีมจะเป็นสัมมาสติมจะสักว่าระลึกละจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้านี่ไม่ใช่ตัวเราเนะ่งั้นพวกเราฝากพวกเราเรียนสองตัวนี้ให้เยอะๆหน่อยนะเรื่องสัมมาสติกับมิชฌาสตินี่ตัวหนึ่งหรือสติธรรมดากับสัมมาสติไม่เหมือนกันนะสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิไม่เหมือนกันในหนังสือของหลวงพ่อก็มีเขียนไวเ้เยอะแยะนะไปหาอ่านเอา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 จิตไม่ใช่เป็นกลางจิตจะเครียดเครียดขึ้นมาเนั้นให้รู้นะรู้ได้ใจที่เป็นกลางจริงๆไม่สุดโต่งสองข้างไม่เผลนไปหลงไปไม่บังคับตัวเองไว้เผลนไปหลงไปก็ลืมกายลืมใจบังคับตัวเองไว้กายกใจก็แข็งแข็งเครียดเครียดผิดความเป็นจริงใช้ไม่ได้ไม่ใช่การรู้กายรู้ใจแล้นศัตรูเรามีสองตัวนี่ตอนพวกเราจํา พุทธประวัติได้ไหมตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เทศนากาันแรกนะชื่อธรรมจักรกับภวตนสูตรธรรมจักรกับภวตนะสูตรเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นว่าการปฏิบัติที่ถูกหรือทางสายกลางทํำยังไงไม่ได้บอกนะทางสายกลางทํำยังไงแต่บอกว่ามีสิ่งที่ผิดสองสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรำเนี่ยไม่ควรเสพไม่ควรเสพภาษาบาลีภาษาพระไตรปิฎกท่านบอกว่ามีสิ่งสองสิ่งที่บันทชิตไม่ควรเสพ นี่เราไม่ใช่บรรพชุดไม่ใช่นักบวชนะแล้วก็มาแปลให้เข้ากับพวกเราก็คือผู้ปฏิบัติไม่ควรทำสองอย่างอันหนึ่งกามสุขานิการุโยกการปล่อยตัวให้ชุ่มในกามอันหนึ่งคืออัตตกิรมัาธานุโยกการทำตนให้ลำบากพระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้ปัญจวัคคีฟังนะมี5องค์มาฟังพร้อมๆกันมีองค์เดียวที่เข้าใจได้โสดาอยู่องค์เดียวคือพระกวณฑัญญะนะ องค์อื่นต้องฟังรั้งที่สองรั้งที่สามั้งที่สี่พระอัสสชีฟัง5ครั้งได้โสดาบันพวกเราอย่านึกนะฟังครั้งเดียวจะได้นะพระอัสสชีฟังตั้งห้ารอบถึงจะได้โสดาบันเพราะนั้นท่านสร้างบารมีมาเยอะแล้วทำไมพระกวนทัญญาปิ้งขึ้นมาพวกเราพอได้ยินคาว่าการสุขา ร, ริการุโยค ก, การปล่อยตัวให้ชุ่มด้วยกิเลสชุ่มด้วยกามเนี่ยเราคิดว่าเราปล่อยร่างกาย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 ภาวานาแล้วเคร่งเครียดนี่เรียกว่าอาศักิรมาถานโยกบังคับตัวเองเท่านั้นทําตัวเองให้ลําบากสังเกตไหมเวลาเราภาวานาเราชอบทําตัวเองให้ลําบากทันทีที่คิดเรื่องภาวานาเราก็บังคับกายบังคับใจเริ่มจากบังคับใจก่อนรู้สึกไหมขั้นแรกต้องวางฟอร์มใช่ไหมทําใจให้นิ่งๆร่างกายก็ต้องเท่ๆถ้านั่งจากข่านี้แล้วถือว่าไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วถ้าเดินไม่ใช่แมมสวยงามอย่างนี้ไม่ใช่เดินโจรกลม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 สัมมากัมมันตะก่อนที่จะทำกรรมทางกายมันทำทางใจก่อนเช่นก่อนจะไปฆ่าเขามันต้องอยากฆ่าเขาก่อนเนี่ยมันมาทางใจสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบนก่อนจะเลี้ยงชีพชอบนะใจมันต้องชอบซะก่อนมันมาที่ใจก่อนนะสัมมาวายามะความเพียรชอบก็เป็นเรื่องทางใจเมื่อไรมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อาภูศนก็ดับทันทีอาภูศลเก่าดับทันทีอาภูศลใหม่เกิดไม่ได้ลกุศน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 ก็อะไรมันยังมีทางเลือกเนี่ยมันก็อยากให้มีความสุขเสียอยากจะวิ่งหนีความทุกข์เพราะมีทางเลือกถ้าวันหนึ่งภาวนาจนจนกระทั่งมันบีบวงกระชับเข้ามาถึงจิตถึงใจจริงๆ จ, จะเห็นมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปแต่เราจะมาถึงตรงนี้ได้เราต้องสร้างคุณงามความดีนะบารมีทั้งหลายต้องสร้างคุณงามความดีทั้งหลายต้องสร้างกว่าจะข้ามภพข้ามชาติได้คนหนึ่งคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องเล่นๆ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 ทุกขนาดนั้นนะมีแต่ทุกล้วนๆเนยย่างลงไปตรงไหนก็เจอแต่ทุกแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นตรงนี้ลรมารเริ่มทำงานนะมารตัวหนึ่งนะเรียกว่าเทวบุตรมารคือหัวใจของเรานี่จิตใจของเรานีที่มันจะท้อถอยกลับกลอกไม่กล้าสู้แล้วกลัวไม่ตายก็บ้ากลัวนะมารตัวหนึ่งก็คือกิเลสกิเลสก็คือโทสะทั้งหลายนะความกลัว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 พ อ, อมีทานมีศีลเนี่ยเราจะมีความสุขเรียกว่าสวรรคนะ์เราจะมีความสุขชีวิตจะมีแต่ความสุขความสบายในะร่างกายอาจจะลําบากบ้างนะเจ็บไข้ได้ป่วยนะแต่ใจมันจะสบายแนตะ่สบายจะยเพเลิดเพลินไปคราวนี้เพลินในความสุขอนะีกแล้วนี่เรียกว่ากามนะเพเลิดเพลินไปในความสุขนะเสร็จแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นโทษของกามว่าอย่ามวัวแต่ประมาทอย่าหลงแต่ในความสุขที่เรากําลังได้รับอยู่ทุกวันนี้นะ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 ใช่วาจีเป็นไงบ้างเกรงรู้ว่าเกรงจริงๆนะการเรียนธรรมะนะไม่ต้องถามมากให้มีสติรู้กายรู้ใจไปรู้อย่างอื่นไม่ได้ต้องรู้กายรู้ใจนะวิธีรู้กายรู้ใจรู้สบายๆอย่ารู้แบบเครื่องเครียดนะรู้ไปสบายๆแล้วกายกับใจจะสอนธรรมะเราเองลาพังนั่งฟังนั่งคิดตรึกตรองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สงสัยไปเรื่อยๆ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 อย่าถามยากนะถามง่ายๆ ย, ยังมีข้อบอกพ้องอยู่ครับอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับไหนๆอยู่ไหนว่าไงว่าไงช่วยแนะนํำข้อบอกพ้องหน่อยครับบังคับมากไปนิดนึงจิตมัวนิดนึงดูออกไหมมีโมหะหน่อยๆดูออกปะอันนี้ตื่นเต้นกับเอตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นไปตื่นเต้นแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ใจลอยไปแล้วรู้ไหมใจมันไหลไปแวบเราก็รู้ว่าไหลไปนะ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 นี่หลวงพ่อแบบไม่เจ็บมากไปอีกแล้วรู้ปะอ้าวคนไหนบ้างคนไหนค่ะธรรมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนไหนอ๋อว่าไปอ๋อมีป้ายด้วยเตรียมตัวมาขอความรู้จากหลวงพ่อโดยเฉพาะเลยเจ้าค่ะตอนนี้ได้ปฏิบัติดูแลคุณแม่อายุเก้าสิบแปดเจ้าค่ะ และระยะสองปีมาเนี่ยค่ะท่านหลงลืมแล้วก็ปัจจุบันนี้พอคุณแม่ตื่นคุณแม่ก็จะกลับบ้านเตรียมข้าวของกลับบ้านแล้วก็จะระลึกถึงแต่ผู้เสียชีวิตไปแล้วทุกคนและทุกคนที่เสียชีวิตเนี่มายืนคอยที่หน้าบ้านทุกวันทุกขณะทางปฏิบัติของลูกที่มีให้แม่ก็คือ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 คุณแม่กำลังฟังสวดมนต์เพราะว่าเปิดซีดีให้นะเจ้าค่ะคุณแม่พอถามคุณแม่คุณแม่ก็บอกเงียบเียบเงียบเงียบกำลังฟังสวดมนต์ทีเนี้ยลูกไม่ทราบจะปฏิบัติถูกหรือเปล่าเพราะว่ากลัวว่าคุณแม่จะหลังความตายหรือช่วงที่ชิงพบเนี่ยคุณแม่จะไปไม่ดีนะเจ้าค่ะอ hey, ตรงนั้นเราช่วยไม่ได้นะเราช่วยได้ตั้งแต่ตอนเนี้พยายามให้ใจเขาเคล้เาเคลียอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลเรื่อยๆ แล้วเวลาเขาจะตายจริงๆอย่าไปร้องห่มร้องไห้นะให้นั่งทําใจให้สบายดูเขาตายนะอย่าไปเขย่าจะตายแล้วร้องไห้นะไปอบายเลยตรงตอนนั้นช่วยอะไรไม่ได้แล้วถ้าจะช่วยก็คือช่วยตอนนี้แหละอย่างที่ทําอยู่ก็ดีแล้วล่ะนะแล้วก็บอกอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึง อ, อนาคตนะให้คิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธทั้งวันเลยพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธสบายๆ ไม่ไม่ผิดสิ่งข้อสี่นะเจ้าค่ะที่หลอกให้ท่านเฮ้ยอย่าไปคิดว่าหลอกสิ <laughs> เขาเรียกว่าปูสโลบาย <laughs> นในใจเราก็เนี่ยอะไรเป็นรถของพระพุทธเจ้านะธรรมะนะธรรมะนี่เป็นรถนะงั้นเราก็พาให้แม่สวดมนต์ภาวนาเห็นไหมก็มีรถของพระพุทธเจ้ามีธรรมะเป็นเครื่องไปนั่นแหละเราก็ต้องวางใจให้ถูกนะถ้วางใจว่าโอ้ฉันต้องหลอกเอาตัวรอดแล้วก็ก็มูสาแหละ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 แต่ถ้าเรารู้แล้วใจเราแข็งแข็งนะไม่ไม่จริงจงใจมากไปนิดหนึ่งขอบคุณครับหลวงพ่อคบคือเมื่อวานหนูไปเห็นสภาวะหนึ่งอะคะะ่ะเหมือนเมื่อวานตอนที่หลังสดบนเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาแล้วเหมืนเห็นเวทนาค่ะคือมันไม่เฉพาะเมื่อวานนะขณะนี้กําลังติดสภาวะอยู่รู้สึกไห้ใจเราไม่เหมือนคนทั่วทั่วไป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 ใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยดีที่สุดวิเศษที่สุดเหมาะที่สุดสําหรับการทําวิปัสสนานี้พวกเราแทนที่จะรักษาใจของมนุษย์แล้วตามรู้มันไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงมันพยายามดัดแปลงจนมันจะกลายเป็นใจของพลมไปใจของลมมีแต่ความนิ่งๆหลวงพ่อทําให้ดูนะสซมเปิลนะมีหลายชนิดนะดูออกปะ ไม่เอาจะทำยังไงวะเอางี้เอาพรมชั้นเร็วอย่างนี้พอดูได้ไหม อ, อย่างนี้สุดโต่งมาข้างบังคับนะถ้าพรมชั้นดีมจะแหมเบาสบายเคลิม้มลอยลอยนะใจชนิดนี้ไม่ใช่เหมาะกับการทำวิปัสสนาใจชนิดนี้เหมาะไว้นอนเล่น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 อย่างใจสันนรกก็ไม่ค่อยแสดงใจรักมีแต่ความทุกข์ล้วนๆอยู่อย่างนั้นงนั้นได้เป็นคนดีที่สุดแล้วอย่าทำลายมาันความเป็นมนุษย์ของเราด้วยการน้อมใจไปให้เป็นพลุ่มนะพยายามรู้สึกตัวให้เป็นสบายเออเนี่ยเข้ามาใกล้มนุษย์สโลกมากขึ้นแลวรู้สึกไหมกลับมาเป็นคนธรรมดานะเนี่ยใช้ได้แล้าไปไห น, นการมนการหลวงพ่อนะคะค่ะ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 พอพอพอันพอไปเห็นไม่นคิดอีกมันก็เห็นหมันไหวๆเนี่ยค่ะจิตมันรวมลงเนี้ยค่ะว่าเป็นอย่างเงี้ยอยู่มันมันลงได้ทุกวันเลยนะคะคือไปนั่งกับหลวงปู่องค์หนึ่งที่ปากเก็ดนะคะแล้วแล้วคือเมื่อวานเนี่ยค่ะก็นั่งอีกทีนี้จิตมันไม่รวมแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะคือไม่ต้องพูดโท้เลยเพียงแค่มองจิตนะคะพอมองจิตแล้วเนี่ยนะคะก็เห็นจิตมันคิดแล้วเนี่ยมันก็จะมันกลับมันเห็นอะไรไวๆค่ะอล้จิตมันก็รวมลงเองแต่เมื่อวานไม่ลงแล้วมันเห็นแต่ไหวๆอย่างเดียวอาการรวมมันก็ไม่มีแล้วเนี่ยค่ะ อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําให้ด้วยนะคะอา้าฝึกกับหลวงปู่วุญญาริใช่ป่ะไปถามท่านสิเ <c oughs> หลวงปู่บอกว่าไม่มีคําอธิบายอะ่ะหลวงปู่บอกว่าถึงเวลาได้แล้วได้เองโอ้โห<อ>ท่านก็อธิบายแล้วนะ <c oughs> อธิบายว่าไม่มีคําอธิบายอหลวงพ่อขยายให้หน่อยก็ได้เราภาวนานะถ้าเราทําสมถะจิตรวมลงไปแต่ถ้ารวมลงไปแล้วซื่อบื้อนะสงบนิ่งๆเฉยๆอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยะขี้เกียจขี้คล้าน พอรวมลงไปแล้วเราเห็นมันไหวทํางานจริงๆให้ไหวๆนั่นแหละคือความคิดของมันความคิดตัวจริงของจิตนะอาการที่มันไหวไวไหววขึ้นมาแต่เวลาที่เรารู้ไหวๆเนี่ยอย่าถลําลงไปจ้องอย่าถลําให้จิตเคลื่อนลงไปเกาะนิ่งๆที่ไหวไหวไม่ได้นะให้ดูอยู่ห่างๆให้จิตผู้รู้อยู่ห่างๆไหวไวอยู่โน่นผู้รู้อยู่นี่นแล้วก็ดูไปถ้าถลําลงไปจ้องนั่นจะไปติดอยู่ที่ไหวไหวแล้วไปไหนไม่รอด ไห้สักว่ารู้สักว่าเห็นไหวๆนั่นไปนี่เวลาภาวนาเนี่ยบางช่วงที่จิตมันมีมันจะเดินปัญญาเนี่ยมันไม่ยอมรวมง่ายหรอกนะเวลารวมรวมแว บ, บเดียวก็ขึ้นมาแล้วมนรู้ไหววต่อเพราะฉะนั้นเวลาที่มันรวมลงไปก็ช่างมันมันจะขึ้นมาก็ช่างมันมันไปรู้ไหวไวก็อย่าถลําไปรู้ฝึกไปอย่างนี้แหละถึงวันหนึ่งมันก็วางทุกอย่างหมดเลยไอ้ตัวไหวเนี่ยเป็นภาษาของจิตนะแปลได้นะ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 สมาธิเคลิมๆอย่างนี้ไม่ต้องต่ออะไรหรอกนะไปต่อที่นอนน่นน ะ, นะไม่ได้เรื่องอ่ะถ้าฝึกสัมมาสมาธินะฝึกสมาธิมันจะรู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสตินะมเมื่อวันซืนที่วัดหลวงพ่อมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบำเภาวนาสายหลวงพ่อชาอายุก็ไม่มากนะแต่บอกว่าท ร, รมานาปานาสติหายใจไหมยี่สิบปีแล้วหายใจมายี่สิบปีแล้วเขารู้สึกว่าเขาตัน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 เรอบินชั้นดีนะค่อยๆแลนดิ้งนะให้นุ่มนวลรู้ตัวตลอดเลยถ้าขาดความรู้ตัวคือไม่ได้เรื่องแล้วพอใจมันตั้งมั่นเนี่ยอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจนิดเดียวก็เห็นแะ้ไม่ต้องรอให้โกรธแรงๆแล้วเห็นใจที่ทรงสมาธิอยู่มีประโยชน์มากนะแต่ว่าเวลาไปรู้ไหวๆอย่าถลำลงไปรู้อะไรก็ไม่ถลำลงไปให้สักว่ารู้ให้สักว่าเห็นไป อย่าตอนเนี้ถล่มไปในโลกของความคิดแล้วรู้สึกไหมมันลืมตัวเองในปัจจุบันไปแล้วแล้วใจมันก็อยากพูดแวบขึ้นมาอย่างเงี้ยล้วก็รู้มันลงไปรู้เรื่อยๆ อ, อ้าวคนไหนกราบกราบนรมาสการ์หลวงพ่อไหนกราบอยู่ไหนอยู่ไหนชูหน่อยอ๋ออ้าวอกราบนรมาสการหลวงพ่อคะ่ะสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ไปกราบหลวงพ่อนานนะคะห่างครูบาอาจารย์เลยรู้สึกว่าจิตมันเสื่อม จิต<ฮ>มันไม่มีควาว่าเสื่อมนะจิตมีแต่คำ ว, ว่าเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ว่าจิตอกุศลเกิดบ่อยแล้วเรียกว่าจิตเสื่อม<แ>จริงๆจะกุศลหรือจะอกุศลเกิดแล้วก็ดับเหมือนนกันใจเราต้องเป็นกลางรู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางไวมเพราะฉะนั้นสติไม่ค่อยเกิดรู้ว่าไม่เกิดอยากให้สติเกิดรู้ว่าอยาก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 ใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นให้ยอมรับสภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏถ้าใจเรายอมรับสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนะใจจะไม่ดิน้นพอใจไม่ดิ้นนะใจจะตั้งมั่นมีความสุขรู้เนื้อรู้ตัวตื่นขึ้นฉับพลันตรงนั้นเลยตอนนี้หนีไปคิดละซไหมไม่ยอมเลิกทรับไหมค่อยตื่นแล้วรู้สึกไหมใจค่อยตื่นขึ้นมาแล้ว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 เผลอนานน ะ, ะไม่เคยรู้สึกนอกจากจะพบกับผัสสะแรงๆอย่างเช่นเวลารถเฉียวข้างหลังนะคะตกใจกระโดดก็จะรู้สึกว่าตกใจมือเท้าไปท่าไหนก็จะทราบนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตาเบิกกว้างปากร้องวู้อะไรนี้ก็ทราบหมดเนะี่ยแต่ว่าอย่างทั้งหมดนี้ก็ยังไม่เคยเห็นความเกิดดับมั น, นะะเห็นมันสลับเปลี่ยนเฉยๆแต่ไม่เห็นเกิดดับการที่เห็นว่าเขามีแล้วเขาไม่มีของที่เคยมีมันไม่มี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 เกิดแล้วก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ผ่านไปไม่คงที่สักอันเดียวนะเห็นไม่ตรงที่มันเคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลื ม, ลมตัวมันหลงตามกิเลสไปตรงที่มันไปตั้งแข็งปึก๊กน่ยมันบังคับตัวเองไว้ที่หลวงพ่อบอก2องอันสุดตรง2ข้างนั่นเองนะกับจิตที่รู้สึกตัวนี่ตรงกลางทางสายกลาง3ามชนิดเนี่ยจะสลับกันขึ้นมาในเวลาที่เราปฏิบัติอยูนะ่เราไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเอาอันเดียวคือรู้สึกตัวแล้วปฏิเสธอีก2ออันที่เผลอและเพ่งแต่เราจะภาวนาเพื่อจะให้เห็นเลย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 หัดอย่างนี้นะ่าจะได้ไม่เผลอยาวให้จิตมันมีเครื่องอยู่ไว้อย่างหนึง่ง ส, สมัยเราคุ้นเคยกับพุทธโธเราก็พุทธโธไปเรื่อยๆคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทธโธพุทธโธไปบริกรรมไปปัจจัยมันเคลื่อนจากคําบริกรรมเราก็คอยรู้สึกเอามันจะทําให้เราไม่เผลอยาวแต่เราไม่ใช่พุทธโธเพื่อไม่ให้เผลอนะแต่พุทธโธพุทโธไปเพื่อจะได้เผลอเรารู้ไหวๆถ้าพุทธโธไม่ให้เผลอก็คือเพ่งงั้นในชีวิตประจำวันเราต้องมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่ง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 ปจิตมันมีเครื่องอยู่มันจะไม่เผลอยาวจิตที่ไม่มีเครื่องอยู่จะเผลอนานเพงั้นสติปัฏฐานเลยต้องมีเครื่องอยู่นะแต่ต้องระวังเครื่องอยู่ไม่ใช่คุกคุกกับบ้านไม่เหมือนกันบ้านเนี่ยเราจะมีธุระออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ได้แต่คุกห้ามไปที่อื่น <c> ไปรู้ลมหายใจแล้วห้ามจิตหนีจากลมหายใจรู้ท้องพองยุบห้ามจิตนี้ไปจัดท้องอันนี้เป็นคุกนะถ้ารู้ลมหายใจแล้วจิตแฉลบไปแวบรู้ว่าจิตหนีไปละไม่ว่ามันแค่รู้นะ นักเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกต้องแร้วยังค่ะถามแบบกล้าหาญมากเลยกล้าฟังคําตอบไหมเพ่งไปหรือเปล่าคะใช่จิตจิตยังติดโยนหน่ยเดียวแต่ไม่มากนะนิดหน่อยยังใช้ได้แล้วล่ะอยู่ในระดับที่โอเคใจลอยไปแล้วเห็นไหมใช่ค่ะตอนไปยักหน้าเออปื้มปลื้มใช่ค่ะนั่นแหละไม่เห็นว่าปื้มปลื้มได้แต่รู้ว่าปื้มเห็นไหม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 ก็ลองดูสภาวะไปนะตรงที่เผลอไปนี่เผลอไปตรงที่รู้ว่าเผลอเนี่ยรู้นะตรงที่มันภาคขึ้นใหมาไหมมันพูดเองมันพูดเองก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่ตรงที่เราไปช่วยมันภาคเนี่ยใช้ไม่ได้ฟุ้งซ่านตอนสุดท้ายคือฟุ้งซ่านไปบรรยายนี่ไม่ดีนี่ดีเริ่มให้ค่าละวใจมันฟุ้งซ่านให้รู้ลงไปเลยว่าฟุ้งซ่านละรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆหรือใจเผลอไปลอยไปรู้ว่าใจลอยปุ๊บ สงสัยว่าเอ๊ะรู้นี่รู้ถูกหรือยังให้รู้ว่าสงสัยนะรู้โลกปัจจุบันไปเรื่อยเรนะืรู้ความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันสดสดร้อนๆนะ้อนรู้ไปเรื่อยเรเราจะเห็นเลยความรู้สึกสดสดร้อนรนี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเห็นความรู้สึกทุกอย่างไม่คงที่เลยรกราบนมัสการท่านอาจารย์นะครับผมปฏิบัติโดยใช้สติปัฏฐาน4มา7ปีเกิดอัศจรรย์กับจิตใจก็คือมันเกิดถึงสภาวะของความเป็นกลาง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 ให้เรารู้เล่นๆไปแต่ถ้าเราจงใจไปจ้องนะใจเราจะแข็งแข็งเกรงเกรงผิดธรรมดาคุณรู้สึกไหมใจของคุณกับใจของคนทั่วๆไปเนี่ยจะต่างกันใจของคุณจะมีความนิ่งมากกว่าคนทั่วๆไปนะแล้วมันมีความอ่อนโยนด้วยครับแล้วก็มีความเซนซิทีฟมากอ่าแล้วใจใจมันอ่อนโยนให้รู้ไปนะใจเซนซิทีฟให้รู้ไปตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมพอหลวงพ่อพูดแล้วก็คิดตามใช่ไหมครับให้รู้ทันว่าใจไปคิด ให้รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะส่วนมากที่เราบอกว่าเราทําสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยไม่ค่อยได้ทําสติปัฏฐานจริงเราชอบไปเพ่งนะเพ่งมากกว่าที่จะไปรู้หรือเราชอบไปกําหนดมากกว่ารู้นะกําหนดเนี่ยหลวงพ่อเคยกลาบเรียนถามอาจารย์มหาปจวบบอกกาหนดเนี่ยในบาลีเป็นยังไงท่านบอกกําหนดเป็นภาษาขเขมรนะจริงๆแล้วให้ใจเราแค่มานักสิการคือใจเรามันข้ า, าระลึกถึง ความมีอยู่ของกายระรึกถึงความมีอยู่ของใจรึกแค่ระรึกถึงแค่นึกนึกถึงนะอย่างตอนนี้ใจเราลอยไปคิดแล้วทราบไหมครับผมเนี่ยให้รู้อย่างนี้นะใจไปคิดก็รู้นะคุณสังเกตไหมตอนที่ใจลอยนะเบาๆแต่ตอนนี้หนักๆนะมีความหนักเกินจริงอยู่นิดนึงดูออกไหมเ <ผม S 1> นี่ยตอนนี้ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมรตรงที่ใจลอยไม่หนักรู้สึกไหมครับเนี่ยคือความสุดต่งสองด้าน ซึ่งจริงๆแล้วเรายัางไม่สามารถรู้อย่างซื่อๆนะเพราะฉะนั้นการรู้ของเรายัางแทรกแสงด้วยความจงใจจะรู้อยู่นิดนึงนะอย่างตอนนี้ใจฉลาดแว บ, บหนึ่งทราบไหมครับนะให้รู้ไปรู้ไปอย่างนี้แล้วมันจะไม่หนักนะถ้ารู้แล้วยังหนักอยู่นิดนึงนะก็แสดงว่ายังบังคับอยู่นิดนึงขอบคุณพยายามรู้จนมันเป็นธรรมชาติแท้ๆเลยที่ฝึกอยู่ดีนะคมันมันติดการบังคับตัวเองอยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละครับขอบคุณครับ กลับมนุษย์ารท่านอาจารย์ค่ะคือเวลาสื่ว่าเวลาหลับตาเนี่ยนะคะบางทีก็จะมีมันสว่างขึ้นะนะคะบางทีก็เป็นสีเหลืองค่ะซึ่งในบางครั้งที่ทำให้กลัวนะคะก็คือจะสีน้ําเงินแล้วก็ุูบบูบออกนะคะแบบเล็กบ้างใหญ่บ้างในวงสีขาวอะไรย่างเงี้ยค่ะเป็นจับน ะ, ะพอเป็นถ้าเป็นสีดํานี่ก็จะมีความสื่ว่าใจคอไม่ค่อยสบายในส่วนนี้ค่ะกลับพระคุณท่านค่ะเราภาวนาเราไม่ได้มุ่งเอานิมิตแสงสีอะไรนะ ให้เห็นกิเลสดีกว่าเห็นสีนะอาการที่จิตมันใกล้ๆจะรวมทีมก็ถ่ายทอดออกมาบางคนเห็นสีปุ๊บปบวับวไปบางคนเห็นผีเห็นสางอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปรู้ไปเห็นอะไรเนี่ยให้ย้อนกลับมาดูใจเรานิมิต ท, ทั้งหลายจะดับไปให้ให้รู้ทันใจเราเช่นมันเกิดแสงสีปุ๊บป๊บวับวมานะสีดำๆเรากลัวแล้วรู้ว่ากลัวสีสว่างสีเงินสีทองใจเราชอบหรู้ว่ชอบเนี่ยให้รู้ความรู้สึกของเราไป นะคืออย่าไปให้ความสําคัญกับนิมิตแสงสีทั้งหลายให้ความสําคัญกับใจเราให้รู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆนิมิต ท, ทั้งหลายจะหายไปเองยกเว้นนิมิตตัวจริงนะอย่างเช่นเรานั่งนั่งอยู่เห็นผีมานั่งอยู่ข้างหน้าเราหนึ่งตัวเราอย่าเรากลัวเราย้อนมาดูความกลัวดับปั๊บไปใจเราเป็นกลางย้อนเราไปดูยังเจ้าเอ๋อยู่ในตัวจริงนะถ้าตัวที่จิตเราปรุงพอเราย้อนมาดูปุ๊บถอยออกไปไม่มีลนะกราบนระมาส ก, การหลวงพ่อครับ หลวงพ่อครับฟังซีดีของหลวงพ่อเห็นมีอยู่อันนึ่งบอกว่าการระลึกรู้สติเนี่ยมีสองแบบอันอันแรกเนี่ยเป็นแบบระลึกรู้เฉยๆไม่มีปัญญาอีกอันหนึ่งเป็นระลึกรู้แบบมีปัญญาก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าะจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะควรจะปฏิบัติยังไงแล้วก็อย่างนั้นผมเคยปฏิบัติมาคือว่าคือคล้ายๆใส่ความคิดบอกว่ามันบังคับไม่ได้อะไรพวกนี้คืออยากรู้ว่าแบบไหนควรจะคือจะไงดีกว่าครับคือถ้า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 แต่ว่าตรงที่เราไปคิดว่าเนี่ยไอ้ น, นี่ไม่เที่ยงไอ้ น, นี่ไม่เที่ยงอันนี้ยจิตฟุง้งซ่านนี่คิดเราเองเพราะ ง, งั้นไม่ไม่ได้คิดเอาแต่การทําไมบางครั้งจิตรู้สึกตัวแล้วก็ไม่มีปัญญารู้สึกเฉยเยบางครั้งรู้สึกแล้วก็เห็นใจรักด้วยเราเลือกไม่ไดนะ้แต่ถ้าจิตของเราเคยฟังธรรมะเคยฟังเรื่องใจรักเคยอะไรอย่างเงี้ยนะพอใจเราเคยฟังนะพอมันรู้สึกตัวขึ้นมานะใจมันจะพลิกเข้าไปเดินปัญญาของมันนะตอนที่ใจผมเกิด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 ดั้นั้ตอนที่เรารูปรู ป, รปคลำคลำจงใจปฏิบัติไปเนี่ยเดี๋ยวก็มากไปเดี๋ยวก็น้อยไปเป็นอย่างนี้ตลอดมันเหมือนเราเดินที่เราบอกเราเดินเป็นเส้นตรงถ้าสังเกตให้ดีเราเดินขาซ้ายทีขาขวาทีใช่ไหมเราไม่ได้เดินในเส้นเดียวกันตลอดอะขาสองข้างเราไม่ได้ทับกันเส้นที่เดินนะแต่ว่าทําไมเส้นทางเดินนี้มันตรงได้คือเอียงซ้ายทีเอียงขวาทีนะหนักบ้างเบาบ้างดีบ้างร้ายบ้างถูกบ้างผิดบ้างทําไปเรื่อยๆใจลอยแวบไปละทราบไหม โยมอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่สายใหม่ครับอาจารย์อยู่กรุงเทพเหรืออยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพเนี่ยไปรวมกลุ่มเรียนกับกลุ่มเนี้ชวดใส่เสื้อสีแปลกๆเนี่ยครับข <c oughs> ้ววาวมัชฌิการหลวงพ่อครับขอถามเยอะเลยนะฮะคือบางอาทิตย์เพ่งบางอาทิตย์ไม่เพ่งอาทิตย์นี้กลับมาเพ่งอีกแล้วนี่มันเป็นของมันเองใช่ไหมครับมันเป็นตองมันเองอย่าไปเกลียดมันน ะ, ะไม่ได้เกลียดฮะแต่ไม่อยากให้เพ่ง ไม่อยากไม่อยากนั่นแหละโทสะอฮเข้าผมให้รู้ลงไปเลยรู้ใจเราคือรู้อย่างนี้ไปเรื่อยมันจะหายของมันเองใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเป็นของมันเองอย่าสนใจว่าเขาจะหายหรือไม่หายการที่เขาเพ่งอยู่เขาก็แสดงไตรรักษณให้ดูแล้วเราไม่ได้เพ่งมันเพ่งของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกดูไปอย่างนี้เลยอ่าแล้วมีอยู่คืนนึงผมทําสมาธิใช่ไหมครับแล้วทาจนมันปวดขาก็เลยจะนอนก่อนแล้วค่อยกะเดินจงกรมต่อ คือเม่ใช่นอนหลับนะฮะนอนดูลงหายใจฮะนอนดูไปดูมาทักมันแวบวิ่งขึ้นมาสว่างอะฮะนึกถึงอันนั้นคือสติหรือเปล่าครับใช่ตั้งแต่ทํรมะมีครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ใช่มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปอย่างเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเงี้ยคนมาว่าเราโมโหปุ๊บมันเห็นความโมโหพุ่งขึ้นมาเลยนี่ก็มีสติแล้วไม่ต้องสว่างปิ้งเอ็นกับทวาแบบ EQ สั่ง แต่เมื่อสว่างแวบพักหนึ่งก็เดิน<อ>ลุงกลมไป้าก็หายไปบ <อา S 2> บางท<ร>ีนะพอเคลิ้มกับปิ้งพอเคลิมกับปิ้งเลยทั้งคืนไม่นอนอก็มี<ร>นะอย่างนั้นก็ไม่ต้องตกใจเป็นบางครั้งบางคราวที่ทําอยู่นี้ให้ได้ยังอ่ะให้ได้ยังติดเพ่งอยู่นะยังติดเพ่งขอถามข้อสท้ายแล้วกันฮรประโยชน์ของการเจริญสตินะฮะในเบื้องเบื้องต้นเบื้องต้้นเบืองกลางเบื้องปลายฮะช่วยพระอาจารย์ช่วยอธิบายฟังหน่อยครับคจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกไว้หมดละ ดเดี๋ยวไปหาเนาะก็แล้วแต่คืออย่างเรามีสตินะเรามีเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและนะแค่มีสติก็มีความสุขแ ล, <c oughs> แล้วเนียต่อไปมีสติใจเราก็ตั้งมั่นมีสมาธิเห็นไหมการได้สมาธิมาก็เป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่ง <c oughs> ต่อไปเกิดปัญญานะก็เป็นผลประโยชน์มาจากการเจริญสติเกิดวิมุติเห็นไหมสุดท้ายเราก็เกิดวิมุติญาณทัศนะเข้าใจความเป็นจริงของนิพพานอย่าเงี้ยชีวิตเราเต็มไปด้วยความสุข งั้นเราภาวนามีสติไปเรื่อยๆนะเบื้องต่ำที่สุดเลยคือปิดอบายไว้ก่อนในขณะที่มีสติอกุศลไม่มีแล้วก็ถ้าเรามีสติเราก็มีเครื่องเป็นอยู่เป็นสุขในปัจจุบันมีสติเราจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตตเป็นลาดับลาดับไปงั้นต้องมีสตินะฝึกไปเรื่อยนามสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือหนูสงสยัยอะค่ะว่าอย่าง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 จ้องตละเวลากลายเป็นเพ่งอีกแล้วเพราะจะรู้สึกว่าถ้าตัวเองเผลอจะรู้เร้วแต่ถ้าโกรธเนี่ยมันมันจะไม่สติจะไม่ยังไม่เกิดจะ <c oughs> แ, แบบปว่าโกรธรุนแรงมาก <c oughs> แล้วสติแตก <c oughs> มันไม่ใช่ไม่ไม่ขนาดนั้นเจ้าค่ะคือมันก็จะไปตามเรื่องที่คิดอะค่ะมันมันไม่เกิดค่อยๆฝึกเป่ยนไปแล้วที่ปฏิบัติอยู่นี้เป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะยังต้องปรับตรงไหนก็ <c oughs> ต้องทําให้เยอะๆนะไป ร, รู้บ่อยๆขอบพระคุณเจ้าค่ะวันนี้ทําไมยาวมาก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 ปัญญาที่จะช่วยกํากับการเจริญสติของเราให้อยู่ในร่องในรอยนะงั้นอย่างเวลาที่เราภาวนาเนี่ยจิตเราเดี๋ยวก็เป็นสมาธิเดี๋ยวก็เป็นวิปัสสนาะถ้าสัมปชัญญะเนี่ยมันจะทําหน้าที่เรารู้เลยว่าขณะเนี้ยเราจะทําอะไรทําสมาธิหรือทําวิปัสสนาเรารู้ว่าเราทําเพื่ออะไรสมราธิทาเพื่อความสงบสุขวิปัสสนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจทําอย่างไรเนี่ยหน้าที่ของสัมปชัญญะทําอย่างไร ถ้าน้อมใจอยู่ในอารมณ์บรรเดียวสบายๆต่อเนื่องเป็นสมถนะถ้ารู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็เป็นวิปัสสนานี่ทำอย่างไรระหว่างที่ทําไม่หลงไม่เผลอไปทําอย่างอื่นซะนะเช่นทําสมถะก็ไม่ฟุ้งไปเส้นที่อื่นนะถ้าฟุง้งเรารู้ทันเนี่ยมีสัมปชัญญะคล้ายๆลายแมนนะกำกับเส้นอยู่เพราะฉั้นสติกับสัมปชัญญะนี่เป็นเครื่องช่วยในการจเจริญสติปัฏฐานของเราคือสติกับปัญญา น, นั่นเองจะเป็นปัญญาเบื้องต้นสัมปชัญญะ กราบบรรสการเจ้าค่ะโยมมีความข้องใจว่าพุทโทรกับพ้องหนอผู้ยุบหนอนนี่ไม่ทราบว่าสายเดียวกันไหมคะอือก็คนละสายกันแต่ว่าถ้าทำแล้วนะก็ให้ผลอย่างเดียวกันค่ะแล้วถ้าทำถูกก็ได้ผลเหมือนกันนะทำผิดก็ได้ผลแบบเดียวกันนะคะ <laughs>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 คือควัดใจตัวเองรู้ใจตัวเองไปเรื่อยๆนั่นแหละถึงจะเรียกว่านักปฏิบัติะถ้ารอเวลาหลายๆวันหลายๆเดือนไปเข้าวัดทีหนึ่งไม่ได้กินหรอกเพราะเวลาที่เหลือนะักกิเลสเราไปกินหมดแล้วให้ดูใจตัวเองไปเรื่อยๆนะส่วนจะบริกรรมว่าอะไรไม่มีนัยยะอะไรแต่จริงๆแล้วอยากจะเปลี่ยนมาใช้พุโทโธคะ่ะแต่ว่าพอภาวนาไปก็จะตกมาเป็นรู้หนอรู้หนออะไรอย่างนี้ค่ ะ, คะ แล้วก็รู้ไปรู้หนอก็รู้ไปดีกว่าฟุ้งซ่านหนอคะปรการเจ้าการถ้าทำไปนะได้สมถะเอก็ได้บาานสมควรนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับอถวายทานกอดทุกท่านนมมือและตั้งจิตนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย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 อิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสบเบพปูเรนตูสังกปปาจันโทปันนรสอยาถามณีโชติรสยาถาสัพีติโยวิวัตชันตูสัพรโรคโควินั ส, สตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายยโกภาอาภิวาธนาศีลิสนิจังอุทธาป จ, จายิโนจัตตาโรโอธรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลัง ฝึกนะฝึกไปไม่มีใครช่วยเราได้ต้องช่วยตัวเองนะ